แลทำอยู่ที่ไหนกายกับใจการปฏิบัติธรรมต้องเอาใส่ใกายกับใจเป็นหลักสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีก็เป็นกิริยาของใจทั้งนั้นกายคืออากานสามสิบสองาตุสี่ขันธ์้าอายตนะที่มีอยู่ก็เป็นเครื่องลูกของใจ จะมันเป็นวัตถุเรียกว่าลูกประรัลูกธรรมนี่เป็นเครื่องลูกของใจในเมื่อใจรูท้ทันความเป็นจริงของลูกธรรมและรู้ทันอาการของลูกธรรมสติสัมปชัญญะมันก็ดีขึ้นสติสัมปชัญญะเป็นตัวการ ที่สามารถระพะระคงใจของเราให้ดำเนินไปสู่สมาธิและคูมจิตคูมธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรู้ความคธรรมของเราให้มันชัดเจนกายเป็นที่ เป็นเครื่องรู้ของจิตทีนี้จิตอ่านกายอ่านอะไรอะเราจะต้องอ่านไปตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาทีเดียว <c oughs> พอตื่นเช้าขึ้นมาเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบนะ้างบางทีเรายังไม่ได้เนกไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่มันเตือนใช่ไหล้พวพอกมันเกิด มันเกิดอยู่ที่ไหนคนเราเมีเมื่อรับทานแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายเตื่นข้าวมาพบมันก็แสดงออกมาให้ปรากฏพบเพราะอุจาจาระติดปัสสาวะจิตอะไรต่างๆนี่เราลู่ทำแล้วนอกจากนั้นเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างลางหน้าแดงฟันละ อาอาหารให้มันรับทานบ้างละบางทีเจ็บหัวปวดท้องก็ต้องหายาให้มันรับทานเพื่อรับษาพยาบาลบ้างละเรื่อง ม, มูลนีธิเป็ะเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้มันรู้ศึกษาธรรมะอย่าไปศึกษาใจตัวของเราเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจรารณาตามเกิดตามแก่ตามเจ็บตามตาย ไม่รู้จะให้พิจารณารู้ไปทำไมใครเกิดมาแล้วก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นเราคงจะตายหนีล่ำไรนับหนาบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงที่พิจารณาวามเกิดนั้นเพื่อจะให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพราะอะไรอาศัยอานาจอะไรเป็นที่เกิดิีเด็ดปัญหาอุปาทานกรรม เจวิบากกรรมที่เราทําเอาไว้แลนนัวเี่เดวงกิเลสที่มีอยู่ในจิตของเรานี่เรายังตัดไม่ขาดเมื่อไรมันยังสิงสถิตอยู่ในจิตใจของเรามันก็มันดันให้เราไปเกิดแก่เจ็บ ต, ตายไม่รู้จักจบสิ้นนี่คือเหตุปัจจัยของความเกิดเราอาศัยความเกิดอย่างเดียวเท่า น, นั้นแหละความแก่มันก็กระดังมาความเจ็บมันก็กระดังเข้ามา ลงผลสุดท้ายเมื่อเกินอายุไขก็ต้องสลายตัวสื่อตายนี่ยที่นี้ที่ให้พิจรารณานั้นก็เพื่อจะให้รู้เท่ากันให้รู้จริงไอ้จิตของเรานี่มันรับรู้สภาพความเป็นจริงรับรู้สภาพความเป็นจริงว่าเรามีเกิดแล้วเราต้องแก่ต้องมีเจ็บ ต, ต้องมีตาย เมื่อจิตยอมรับรู้สภาพความจริงจริงรู้จริงลงไปว่ากเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเขาจะต้องเป็นของเขาไปโดยกฎ ธ, ธรรมชาติอย่างนั้น <c oughs> ถ้าจิตมันยอมรับลงไปก็อย่างนี้ผู้กิจราลารู้ทันแล้วจะไม่มีความรู้สึกตื่นตกใจในเมื่อเหตุการณ์ตั้งๆเห ล, ล่านั้นเกิดขึ้นหานนยังมีกิเลสอยู่ ยังไม่หมดกิเลสเพราะอาศัยความดีที่เราสามารถพิจารณารูกทังความเกิดแก่เจ็บตายใจไม่สรุง่งหรือไม่ห ว, วาดกลัต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็แสดงว่าผู้นั้นมีใจเป็นพื้นฐานที่มั่นคงด้วยคุณธรรมอาหารมันจะเกิดมีการตายขึ้นมาเราจะต้องฆาเข า, ายังมีกิเลสอยู่ยังเชื่อว่าเราจะต้องมาเกิดใหม่อีกอยู่ เขาจะมีความภูมิใจขึ้นมาว่าดีเหมือนกันตายไปแล้วจะได้ใช้ธาดไใช้พบให้มันหมดเส่ไปความดีเรามีพร้อมแล้วเรามาเกิดใหม่เกิดข้าใหม่ดีกว่าเก่าท่านพระอุปายาทยาพงอนจะมาอยู่ที่วัดสัพพะภุมท่นนนานเจ้าุณปัญญาภิสารเถรสื่อเดิมท่านว่าอาจารย์หนู ผู้ของทนายจางเต่าตอนนั้นเขามาทิ้งระเบิด <c oughs> ท่นานไม่ยอมลงไปสู่ที่หลบภัยท่านตินั่งในบนกระถิ่ของท่านนั่นแหละตำรวจต้องมาอ้อมเอาพอตำรวจมาอ้อมเอาท่านก็ถามว่าจะเอาท่านไปไหนเขาก็บอกว่าเอาไปหลบภัไทยไปที่ไหน เขาบอกว่าเขาจะมาทิ้งระเบิดเอา้าถ้เขาทิ้งระเบิดเขามาถูกเราเราตายแล้วเกิดเอาใหม่ดีกว่าท่านว่าอย่างนั้นอันนี้คือท่านพูดที่มีความมั่นใจในคุณความดีที่ท่านได้บาเพ็ญมาแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนหรือหลายคนทั้งประเทศเนี่ยที่เราต้องวันที่ตกวันตัวหรือว่าตัวสารพัด ตัวต่อเหตุทางของโลกตัวต่อใจตนตัวตัวต่อไจของบ้านเมืองอะไรํำลอง น, นี่ที่เราต้องตัวอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเรายังมีความดีหรือยังไม่เชื่อมั่นว่าเรามีความดีพอเพียงที่จะช่วยอุดหนุนวิญญาณของเราให้ไปสู่สุคติได้เพราะฉะนั้นเราจริงลัว พอเรามีความดีพร้อมมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปนรกก็ไม่น่ากลัวอะไรอะไรก็ไม่น่ากลัวต้งนั้นถ้าเรามั่นใจวา่าเราตายจริงเราจะเกิดเอาใหม่ดีกว่าเหมือนอย่างสมเด็จพระปัญญาท่านว่ามันก็หมดหมดตัวกันท่อนนั้นเองให้ใจก็มาเปิดคนเดียวกันก็หมด เข้าไปในพระบรมมหาราชวังที่ทีการของทัง้งก็มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธธรรมบนเสร็จแล้วก็ประพรมสมเด็จสระพิ a r i a สังวร เอาไว้พลัมมารีสันนาพอสวายพะัด ส, สมัเทสนลายจบก็มีการนั่งสมาธิดังนั้นวันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนั่งสมา ธ, ธิตัวหน่อยดีไหมถ้างั้นเทศ็ แต่เราฟังที่ได้เป็นร่วมพิธีการดูมันจะไม่เคยเว้นจากการทําสมาธิเราจะนั้นละโอกาสนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาธรรมะตามตหลับตำรามาพอสมควรแล้วก็หลายหลายท่าน ก็ได้ตามงใจนั่งปฏิบัติทรรมสมาธิมามากพอสมควรเหมือนกันดังนั้นในะโอกาสนี้ขอเจนนินชวรบรรดาท่านทั้งหลายจงกำห น, นดจิตธทธรรมสมาธิตามแบบที่ตนเคยจำนิยำนานมาแล้ว จงกำหนดจดจ้องลงที่จิตของตัวเองทำความรู้สึกภายในจิตว่าเราพุทธเจ้า ก, ก็ทำได้สแไปทุมต้องอยู่ที่จิตของเราแล้วแล้วก็กำหนดอารมณ์ผู้ของใจอะไรก็ได้ที่เราเคยจำนานมาแล้ว คือว่าเราพุตธเจ้าก็ทําประ ส, ระสงประรุมปร้อมลงที่ใจนั้นก็กลายเหตุว่าเราพุตธจ้ามาจากธรรมว่าพุทโธพุโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตืน่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของใจแม้ว่าใครก็ตา มีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลาคือทำความรู้สึกสานึกในติตชอบตัวดีอยู่ในจิตในใจตลอดเวลานัดนคือว่ามีพุทธะอยู่ในจิตการพยายามประทับประคองความรู้สึกเช่นนั้นเอาไว้ตลอดเวลาไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป จากการกำหนดรู้เช่นนั้นผู้นั้นได้คือว่ามีพระธรรมคือตามตรงไว้ซึ่งความดีผู้มีสติสัมปชัญญะประทับประความอี่ตั้งเจตนาประควมความรู้ติกของตัวเองอยู่ได้คือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นมีคุณของประสงค์อยู่ในจิตใจใจเราพระเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดี รพระสงค์ก็ดีเป็นกิริยาของใจแหละเป็นคุณธรรมของใจแต่ละอย่างละอย่างเป็นคุณธรรมแต่ละอย่างซึ่งบางเปิดเกิดเป็นเจตสิกประจําจิต ข, ของผู้ปฏิบัติทุกคนเราจฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จริงอยู่ที่จิต ข, ของเราตลอดเวลา เรามีความมุ่งหมายที่จะปฏิบัติสู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมสาคัญที่การสำรวมจิตเป็นใหญ่เราพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเจอที่จิตให้จิตตัวนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประคับประคองเมื่อไหร่เแต่ดา น, นจิตตัวนี้ก็จะต้องมีความเผลอ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 ก็มีหลายแบบหลายอย่างเพราะพระพุทธเจ้าตรงแสดงธรรมหรือที่แนวทางปฏิบัตินั้นย่อมตรงอนุโลมตามอุปนิสัยของผู้รับฟังหรือผู้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นพอท่านทั้งหลายจงอย่าไปสำคัญอย่าไปเยดวิธีการให้มาก ให้พยายามํำหนดรู้เหตุผลซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราเองเห็นอย่างวิธีการปฏิบัติ้ดยพริกรรมพุทโธก็ดีกาหนดจุ ด, นนดหน่อฟองหน้อก็ดีกาหนดลมหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ดีหรือกาหนดลงไปในกายจุดใด จ, จุดหนึ่งให้มองเห็นกระดูกชัดเจนก็ดี หรือวิธีการยิ่งนอกเหนือไปกว่านั้นเห็นตามเพ่งเอาสุภาพหรือเพ่งเัาศิลอะไรต่างๆก็ดีแต่และอย่างละอย่างเป็นอุบายเพื่อทำใ จ, จติดให้สงบเป็นสมาธิทั้งนั้นอยา่าไปสงสัยหรือทำความลังเมดในสิ่งเหล่านั้นขอให้ยึดสภาพตอนเป็นจริงที่จะพึงเกิดขึ้นภายในติดของท่าน เราโก่งเงว่าวิธีทางที่จิตจะดำเนินเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในไม่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิแล้วจะต้องอาศัยการดำเนินตามองค์ธรรมคือมีวิตกวิการปีติกเอกทัานา จะได้นอกเหนือไปกว่ า, าจากนี้ไม่ได้สำหรับผู้ที่จะทำสมาธิเพื่อความสำนึกสำ น, นับบางครั้งบางคราวผู้บริกรรมภาวนาอาจจะมีจิตมีอาการวูกลงไปอย่างเร็วแล้วก็ไปสงบนิ่งสว่างอันนี้พวกระหว่างวิตกวิจาร เดี๋ยวทะจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิผู้นั้นมีสติกำหนดไม่ทันเป็นลักษณะของสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างทุกๆ์เดี๋ยวผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่ํำนานในการทำสมาธิจึงมีอ า, า ก, การวู่กปากและโวูกลองตัว ท, ที่ผู้ปฏิบัติกาหนดไม่ทันว่าจิตได้ผ่านอะไรบ้างไปรู้สึกตัวต่อเมื่อจิตนิ่ง ระาวาังเป็นสมาธิแล้วอันนี้ก็อยู่ในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเหมือนกันแต่หากยังไม่มีความส ม, มิสกำลังนนทีนี้บางทีบางท่านบริกรรมภาวนาอาจจะจิตอาจจะไม่เคยสงบเป็นอปนาสมาธิสักที เแียงใจสงบลงไปเป็นอุปจาระสมาธิคือมีอาการเติมๆลงไปแล้วก็สว่างจิตยังมีความรู้สึกสมคัญกับร่างกายอยู่แล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะทําจิตให้ไปถึงอัปปนาสมาธิชนิดที่เรียกว่าสงบนิ่งลงไปแล้วร่างกาย ต, ตัวไม่ปรากฏในความรู้สึก ท, ทั้งที่ทําไม่ได้ก็พยายามที่จะทาอยู่อย่างนั้น ก็ไปหลงเที่ยวทำว่าก็ทำจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าหากทานผู้ใดปฏิบัติแล้วมีภูมิจิตเกิดขึ้นมีลักษณะดังที่ว่าก็าไม่ต้องไปมุ่งหมายที่จะเอาอัปปนาสมาธิพอทำจิตให้สงบเป็นอุปจารสมาธิบ่อยๆพอที่จะประพับประปองจิต ให้น้อมไปสู่แนวทางแห่งการพิจารณาปัจจัยรักเออพิจารณาตายเนียความรู้สึกน้อมไปสู่ปัจจัยรักเอออนิจังทุกขังอนัตตาได้อดีกําหนดพิจารณาทันทีไม่ต้องไปคอยให้จิตระบเป็นอัปปนาสมาธิปฏิบัติใทนทํานองนี้ก็ย่อมจกกับตัวผลแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกัน อาหะต่างว่าเราจะไปคอยให้จิตสงบเป็นอปนาสมาธิเสียก่อนเข้าทานให้มันได้ทานี้ทำนานก่อนแล้วจึงจะไปพิจารณาพระไตรลักษณ์หรือจะยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าเป็อว่า ช, ชั่วชีวิตนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะไม่ตายเปล่าเลย การทันเกตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนา ห, หรือเข้าฌานได้อย่างชำนิกสำนานนั้นผลประโยชน์ก็เพียงแค่ให้เกิดความสำนาญในเข้าฌานในการเข้าฌานสำนานในการทำสมาธิทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์แต่เหตุผมนั้นยังไม่เพียงพอเพราะท่นาจารย์เทศท่านว่า ที่เป็นสมาธิอยู่ในฌานนั้นเป็นสมาธิที่งงเพราจิตเข้าฌานจะต้องเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นอาการที่บอกคว า, ามรู้ภูมิปิดภูมิธรรมย่อมไม่เกิดสึกครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่าสมาธิในฌานเป็นสมาธิที่ที่งงแม้เราโดยหลัก ท่านก็ยืนยันไม่ว่าถ้าจิตไปจิตความสงบในฌานเป็นขั้นสมถะตรงนั้นอย่างดีก็ให้เกิดจากจิต ญ, ญาณสามารถที่จะทำฤทธิ์ต่างๆได้สามารถที่จะรู้ใจของคนอื่นสามารถที่จะรู้สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เหตุผลที่จะเพิ่งทาให้หมดกิเลส น, นั้นยงไม่มี ผู้สำเร็จทานแล้วจะต้องมาเวียนไหวตายเกิดเพราะจิตไม่มีปัญญาลักษณะคองตาม ร, รู้จริงเห็นจริงซึ่งเรียกว่าปัญญารู้ใจคนอื่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้เรื่องในอดีตที่ล่วงแล้วมานานๆในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้จัดเข้าในลักษณะของปัญญาที่จะเอาตัวรอดจากอำนาจของกิเลส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 สามารถปฏิวัติภมจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงเป็นลาดับลำ ด, ำ ด, ำ ด, ำดำับตึงจิตในลักษณะอย่างนี้ในขั้นต้นจะรู้อะไรก็ตามสมมติวันเรียกว่ารู้ธรรมก็แล้วกันอารมณ์ก็คือธรรมธรรมก็คืออารมณ์กันเในมรู้อะไรขึ้นมาแล้วในตอนต้นๆยังจะมีสมมติวันหยาดเรียกกันได้ว่าอะไรอยู่ ในตอนนี้เป็นภูมิความโลภของจิตซึ่งอยู่ในลักษณะในขั้นของอุปจาระสมาธิอ่อนๆซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้อปฏิบัติในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วความรู้ตึกในภายนอกก็ยังมีอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะแห่งความสงบแล้วก็มีภูมิจิตภูมิธรรมเกิดขึ้นถับไปอตลอดเวลา <c oughs> แม้ในบางครั้งจะพูดอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็ตามลักษณะของความสงบของ จ, งองจิตมันมีอยู่ภูมิโลกสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสามารถที่จะพูดจะคุยสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในขณะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นภูมิจิตที่มีอริยมรรคภูมิพร้รอมหลงพิจิตาหากในขณะท่านผู้ปฏิบัติ ที่มีภูมิจิตมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อทำสมาธิให้สงบละเอียดลงไปจอทําในขณะที่ปราศจากสิ่งรบกวนเช่นนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระคนเดียวเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปอย่างละเอียดแล้วเมื่อเกิดภูมิความรู้สึนมาภายในจิตนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏการมีลักษณะว่าจิตสงบนิ่งเด่นสว่างสวยัย แต่สิ่งที่ให้รู้ก็มีปรากฏการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้ในขั้นละเอียดนั้นไม่มีอะไรที่จะไปมีความสำคัญบั้นหมายสมมติบัญญตัติเรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้เป็นธรรมชาติของภูม่มจิตภุ่มธรรมที่เกิดขึ้นในระดับสูงระดับละเอียดซึ่งอยู่เนือสมมติบัญญตัติซึ่เราเรียกว่าสัจธรรมบางเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติ ตัวจิตของท่านปุนันก็เป็นสัตจธรรมเรื่องรู้ของจิตที่เกิดขึ้นก็เป็นสัตจธรรมเพราะฉะนั้นสัตยธรรมกับสัตจธรรมในเมื่อมาบรรจุดกันเต่าจึงเรียกชื่อกันไม่ถูกมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นไป ต, ตรงตับคําในธรรมจักรสภะวัชนสูตรที่ว่า ย, างงงมมยาังกินจิตสมุทัยทำบังตภันตังนิโรธทำมันติด สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาทาไมจึงว่าอย่างนั้นทําไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เป็นพระดํารัสของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ดารัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะเหตุว่าจะไปบัญญัติชื่อเสียงเนามว่าอะไรก็บัญญัติไม่ถูกดันั้น เพราะในขณะจิตรู้ความจริงนั้นจะมีแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอะไรที่เราสมมติบัญญัติชื่อมันได้อยู่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่สัจธรรมมันก็เป็นเพียงสมติความรู้จริงเห็นจริงมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติที่คอยกุกท่านจงสังเกต ด, ดูตรงนี้ให้ดี กหากว่ามีภูมิจิตภูมิธรรมปรากฏขึ้นแล้วให้สังเกตรู้ให้ดีความรูร้ธรรมะในขั้นละเอียดของจิตนั้นเป็นโปยเทียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏการให้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่เราจะไปสมมติบัญญัติจิตก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆภูมิครรมรู้ก็เกิดเคลื่อยดูเรื่ย ทีนี้มีปัญหาว่าภูุงความรู้อันนั้นมาจากไหนมาจากจิตเจตที่มีปัญญาอันละเอียดเฉียบแหลมสามารถตรุงความรู้ึ้นมาความรู้อันนั้นคือปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตตัวที่นิ่งเด่นอยู่ยนั้นคือตัวพุทธะผู้รู้ผู้รู้เท่าเอาพันจึงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้อะไรขึ้นมาก็เฉยรู้อะไรขึ้นมาก็เฉย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 ก็ได้เชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นี่จึงต้องจิตจะทำตามเข้าใจอย่างนี้ห า, ากเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆแม้ว่าเราออกจากการปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตามามามองดูโลกและเข้าสู่สังคมในเมื่อเราประสบกับอารมณ์ต่างๆในสังคมที่เราจะต้องไปพบประเดินด้วยรักิดชอบอยู่นั้น คามรู้สึกของเราจะเพียงว่าสับว่าแต่ผู้ก็สับว่าแต่พูพ้คิดสับว่าแต่คิดทำสักว่าแต่ทำอันนี้คือสมาธิเด็ภูมิธรรมในอริยมรรคแม้ออกมาจากการนั่งหลับกาสมาธิแล้วสมาธิก็ยังมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาแื่ตัวสติที่มีกําลังกล้าและเข้มแข็งนั่นเอง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 ตามมิติทางก็การคลองชีพคลองบา้านคลองเรืนเอรนได้อย่างสบายอาสมาที่อันใดบำเพ็ญดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วหรือว่าอยู่ในขั้นดีตามความนิยมขอผู้ปฏิบัติมีภูมิสมาที่สงบดีมีภูมิธรรมที่เกิดขึ้นเกิดเบื่อน่ายต่อครอบครัวเกิดเบื่อน่ายต่อลกูกไม่เอาไหน ไม่อยากจะเข้าสู่ทั้งผมไม่อยากจะทำไม่อยากจะทำประโยชน์แก่ใครอยากจะปีกตัวนี้ไปอยู่ปากสักคนเดียวอะไรทำนองนี้ประมาณที่อันนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อให้พิจารณาให้มันรอบคอบ